เจตนาสิบอย่างวงเล็บหนึ่งพิกษจจงใจพยายามเพื่อความหายโรคน้ำอาศิเคลื่อนต้องอบัตสังฆทิเศษวงเล็บสองพิกษจจงใจพยายามเพื่อความสุขวงเล็บสามเพื่อเป็นยาวงเล็บสี่เพื่อเป็นทานวงเล็บห้าเพื่อเป็นบุญวงเล็บหกเพื่อบูชายันวงเล็บเจ็ดเพื่อจะไปสวรรค์วงเล็บ8เพื่อสืบพันธุ์วงเล็บเก้า เพื่อทดลองวงเล็บสิบเพื่อความสนุกน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอบัตสังขาที่เศษ